พระเกียรติคุณคุณค่าของงานงานของเจ้าประคุณสมเด็จดังที่ได้นำเสนอมาแต่ต้นนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในหลายด้านกล่าวคือ 1. ในด้านวิชาการ 2. ในด้านการศึกษา 3. ในด้านการปฏิบัติคุณค่าในทางวิชาการ บทพระนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาของเจ้าประคุณสมเด็จทุกเรื่องล้วนทรงคุณค่าในเชิงวิชาการเพราะการอธิบายคําสอนของพระพุทธศาสนาในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงใช้การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างน่าสนใจยิ่งเช่นทรงวิเคราะห์คําว่าสัจจะธรรมะศา ส, สนาปัญญาเป็นต้นทั้งในเชิงพยัญชนะและในเชิงความหมาย ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจคําสอนของพระพุทธศาสนาได้ละเอียดและกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งการวิเคราะห์ในหลายๆเรื่องของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระทัศนะและมุมมองของพระองค์ที่แตกต่างไปจากคนอื่นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทรงศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงลึกซึง้งประกอบกับการทรงใช้วิจารณญาณทั้งเชิงปริยัตและเชิงปฏิบัติตรวจสอบเทียบเคียงกัน จึงทำให้ธรรมอธิบายของพระองค์มีความแจ่มแจ้งกระทัดรัดและเข้าใจง่ายผลงานอันเป็นบทพระนิพนธ์เกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาของเจ้าประคุณสมเด็จที่ทรงคุณค่าในทางวิชาการเป็นต้นว่าเรื่องลักษณะพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิโสรสปัญหาทศบารมีทศพิตรราชธรรม45พันษาของพระพุทธเจ้า พระนิพล์เหล่านี้ล้วนแสดงคำสอนชั้นสูงของพระพุทธศาสนาซึ่งเจ้าพระกุลสมเด็จได้ทรงนำมาอธิบายเชิงวิเคราะห์เสมือนปอกเปลือกให้เราดูทีละชั้นทีละชั้ น, นจากชั้นนอกเข้าไปหาชั้นในทำให้เรามองเห็นอัจฉริหรือความหมายของธรรมะที่พระพุทธศาสนาสอนทีละชั้นทีละชั้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างความเข้าใจในธรรมะนั้นๆได้ด้วยปัญญาของตนเอง นอกจากนี้แนวการวิเคราะห์หรือแนวการอธิบายที่ปรากฏอยู่ในบทพระนิพนธ์เรื่องต่างๆของเจ้าประคุณสมเด็จนั้นยังเป็นการให้แนวในการวิเคราะห์ธรรมะหรืออธิบายธรรมะเพื่อความเข้าใจง่ายทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติด้วยผู้ที่มีแนวหรือมีหลักในการวิเคราะห์ธรรมะอย่างถูกต้องย่อมจะก่อให้เกิดความเข้าใจในคาสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องหากตรงกันข้าม ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจคําสอนของพระพุทธศาสนาผิดพลาดหรือไข้เขวฉะนั้นแนวหรือหลักในการวิเคราะห์ธรรมะจึงเป็นเรื่องสําคัญในวิชาการทางพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งคุณค่าในด้านการศึกษา ผลงานอันดับแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จที่นับว่าทรงคุณค่าในด้านการศึกษาก็คือผลงานอันเป็นบทพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องต่างๆซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากพระนิพนธ์เหล่านี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัตคือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและให้ความรู้เกี่ยวกับคาสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับต้นๆจนถึงคาสอนชั้นสูง กล่าวคือพระนิพนธ์ที่อธิบายพระพุทธศาสนาอย่างง่ายเหมาะแก่เยาวชนหรือผู้เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วไปก็เช่นเรื่องหลักพระพุทธศาสนาเป็นการอธิบายพระพุทธศาสนาประยุกต์กับชีวิตประจำวันประยุกต์กับเหตุการณ์และความรู้สมัยใหม่ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง พระนิพนธ์ที่อธิบายพระพุทธศาสนาในระดับปานกลางเหมาะแก่ผู้ฝ่ศึกษาหรือประสงค์สแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เช่นเรื่อง 45, ส5าพรรษาของพระพุทธเจ้าเรื่องลักษณะพระพุทธศาสนาเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องคำสอนทั่วไปของพระพุทธศาสนาเป็นการอธิบายพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการคือแสดงความเป็นเหตุเป็นผล หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่าเหตุผลแสดงความสัมพันธ์โยงใยกันระหว่างองค์ธรรมเป็นต้นพระนิพนธ์ที่อธิบายพระพุทธศาสนาในระดับสูงเหมาะแก่ผู้ต้องการศึกษาคำสอนขั้นสูงของพระพุทธศาสนาต้องการความรู้ความเข้าใจในคาสอนของพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นก็เช่นเรื่องสัมมาทิฏฐิโสรสปัญหา เป็นต้นซึ่งเป็นการอธิบายคำสอนขั้นสูงของพระพุทธศาสนาในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ตามแนวของหลักฐานในพระคำภีประกอบกับการพิจารณาไตรตรองด้วยพระปรีชาส่วนพระองค์ในลักษณะที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมะวิจัยหรือการวิจัยธรรมผู้ที่อ่านหรือศึกษาพระนิพนธ์ประเภทนี้จะต้องอ่านด้วยความไตรตรอง จึงจะได้รับอัทรรถของธรรมะที่ส่งนำมาอธิบายนั้นพระนิพนธ์อีกลักษณะหนึ่งที่นับว่ามีคุณค่าในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากก็คือพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติหรือว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได้แก่เรื่องเกี่ยวกับ ก, บการปฏิบัติสมาธิก ร, รมฐานซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จได้นิพนธ์ไว้จานวนมากเช่นกัน การอธิบายธรรมะภาคปฏิบัติหรือการอธิบายเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นนับว่ายากยิ่งเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงก็ยิ่งยากแก่การอธิบายฉะนั้นผู้ที่จะสามารถอธิบายธรรมะภาคปฏิบัติได้ดีจึงต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือมีประสบการณ์ในธรรมมาด้วยตนเองเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นทั้งนักปริยัตคือสำเร็จภูมิป ร, ริยณธรรมก้าประโยค และทรงเป็นทั้งนักปฏิบัติคือทรงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงทรงสามารถอธิบายธรรมะภาคปฏิบัติได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนทรงนำความรู้เชิงปริยัตยิและประสบการณ์ทางปฏิบัติมาประยุกต์อธิบายให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจในธรรมะปฏิบัติเรื่องนั้นๆได้ง่ายขึ้นพระนิพนธ์ประเภทนี้ก็เช่นเรื่องแนวปฏิบัติในสติปัฏฐานการปฏิบัติทางจิต ธรรมระถาในการปฏิบัติอบรมจิตเป็นต้นพระนิพนธ์เหล่านี้จึงนับว่าทรงคุณค่าสำหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติแต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้ให้หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติไว้ว่าอธิบายทั้งปวงก็เพื่อนำธรรมเข้าสู่จิตและปัญญาได้ฟังได้อ่านแล้วก็ให้ทิ้งทิ้งไปเสีย กำหนดไว้แต่ตัวธรรมะแท้จะไม่มีหนักสมองตัวธรรมะนี้อยู่ในความเข้าใจความจริงอาจอธิบายไม่ได้เพราะไม่มีภาษาจะอธิบายผลงานด้านพระนิพนธ์ของเจ้าประคุณสมเด็จจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งในด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัตและในด้านปฏิบัติผลงานของเจ้าประคุณสมเด็จอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนับว่ามีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาของคณะสงฆ์นั่นคือพระดำริเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์หรือที่เรียกกันง่ายๆว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์แต่เดิมมาคณะสงฆ์โดยส่วนรวมยังมีท่าทีต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งในทางลบเพราะเห็นว่าเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนวิชาการทั้งโลกมากเกินไป ซึ่งไม่น่าจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติศาสนาคิจของพระสงฆ์ฉะนั้นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจึงไม่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์อย่างเป็นทางการตลอดมาเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งไม่อาจจะพัฒนาตนเองให้รุดหน้าไปได้ทั้งในทางวิชาการและในทางบริหารแต่ด้วยพระดําริและแรงผลักดันของเจ้าพระคุณสมเด็จ ด, ดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น จึงทำให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งได้รับการรับรองเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512ยังผลให้ทางราชการรับรองวิทยฐ า, านะของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นครั้งแรกในเวลาต่อมาคือพุทธศักราช2527และต่อมามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งก็ได้พัฒนาวิชาการให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง คือได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2530คุณค่าในด้านการปฏิบัติ ผลงานด้านพระนิพนธ์และการสั่งสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จได้ให้สิ่งที่มีคุณค่าทั้งต่อวงการศึกษาและประชาชนทั่วไปอีกอย่างหนึ่งนั่นคือหลักหรือแนวทางในการศึกษาพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติที่นิยมเรียกกันว่าการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานพระนิพนธ์เกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติของเจ้าพระคุณสมเด็จดังที่ได้ระบุชื่อมาแล้วในตอนต้นนอกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแล้วยังให้หลักการปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติสมาธิกรรมฐานที่ผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปศึกษาและฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองคำสอนเรื่องการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานที่ทรงสอนนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงานต่างๆดังเช่นที่ปรากฏในพระนิพนธ์เรื่องหลักการทาสมาธิเบื้องต้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรื่องการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่มุ่งผลเฉพาะการบรรลุธรรมขั้นสูงหรือบรรลุนิพพานเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่สำคัญและมีประโยชน์แม้ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นการศึกษาการทำงานเป็นต้นเพราะจิตใจที่ได้รับการฝึกหัดนั้น่อมมีพลังที่จะระงับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ ซึ่งเท่ากับสามารถควบคุมจิตใจของตนได้นั่นเองและย่อมมีพลังสมาธิดีขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานทุกด้านและในรายการบริหารทางจิตที่ส่งแสดงทางสถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตทุกเช้าวันอาทิตย์ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีนั้นก็ส่งแสดงให้เห็นว่าการฝึกสมาธินั้นไม่ใช่จาเป็นสาหรับผู้ใหญ่ หรือว่าฝึกปฏิบัติได้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกและควรฝึกตั้งแต่วัยเด็กเพราะจิตทุกระดับควรได้รับการฝึกหัดยิ่งฝึกหัดได้มากเท่าไหร่ผลดีก็เกิดขึ้นแก่ผู้ฝึกหัดมากเท่านั้นเจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงเป็นผู้ริเริ่มแนะนาเผยแพร่ให้คนทุกระดับทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่สนใจฝึกหัดปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน พร้อมทั้งส่งแนะนำวิธีการฝึกหัดที่เหมาะสมแก่คนในวัยนั้นๆซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาจิตใจพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมซึ่งผลรวมก็คือการพัฒนาชีวิตของคนทุกระดับให้ดีมีสุขขึ้นแนวพระดำริและแนวปฏิบัติ ด, ดังกล่าวนี้ก็ได้รับการสานต่อกระทั่งเกิดเป็นความนิยมแพร่หลายไปทั่วทั้งในสถานศึกษาและในหน่วยงานต่างๆทั่วไป